วิญญาณเหียนส1 3สย่านบางมด ส, มสัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังหาพาสเมนเพื่อที่จะเช่าอยู่เพราะ บ, บ้านของเขาอยู่ไกลจากที่เรียนค่อนข้างมาก ครั้งหนึ่งเขาได้ไปหาเพื่อนที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแล้วรู้สึกชอบมากเพราะมันใกล้กับที่เรียนของเขาเลยก็เลยไปติดต่อกับป้าที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแต่ป้ากลับบอกว่าห้องมันเต็มหมดแล้วเขาจึงได้ให้สินน้ำใจกับป้าไป100บาทเพื่อหวังว่าเมื่อมีห้องว่างเมื่อไหร่ก็ให้ป้าช่วยบอกกับเขาด้วยจากนั้นเขาก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับป้า ตกดึกของคืนนั้นป้าแกก็โทรมาบอกกับเขาว่ามีห้องว่างห้องหนึ่งให้เขาเข้ามาอยู่ได้เลยในตอนเช้าเขาก็ดีใจปนสงสัยว่าทำไมห้องมันถึงว่างเร็วอย่างนี้แต่ด้วยความดีใจก็เลยไม่ได้คิดอะไรเช้าวันต่อมาเขาก็ไปยังอาพาร์ตเมนต์เพื่อดูห้องป้าแกก็พาไปดูห้องซึ่งห้องนั้นอยู่ที่ชั้นสี่ ต่ป้าแกเดินมาส่งถึงแค่ชั้นสาแล้วแกก็หยุดบอกกับเขาว่าให้ขึ้นไปดูเองป้าแกจะรอที่ชั้นล่างเพราะมีธุระที่จะต้องทำเขาก็งงๆและเดินขึ้นไปดูเองซึ่งห้องนั้นเป็นห้องสี่หนึ่งสาเมื่อเห็นเลขห้องเขาก็รู้สึกแปลกๆความรู้สึกในตอนนั้นมันรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในห้องนี้ แต่เมื่อมาถึงที่แล้วก็ลองไขกุญแจเข้าไปดูสักหน่อยเมื่อเปิดเข้าไปในห้องก็รู้สึกว่าห้องนี้มันเหมือนกับไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วในห้องมีเฟอร์นิเจอร์เตียงโต๊ะอ่านหนังสือพัดลมเฮดานตัวใหญ่ซึ่งก็เป็นปกติเหมือนอพาร์ทเมนต์โดยทั่วๆไปหลังจากที่เขาดูห้องเสร็จก็เดินลงมาหาป้าที่ชั้นล่างด้วยความที่ไม่อยากได้ห้องนี้ เขาเลยพูดว่าขอคิดดูก่อนนะป้าเพราะป้าได้ยินคำนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลดค่าห้องให้จากเดือนละ 2,500 เหลือ 2,000 บาทซึ่งโดยปกติต้องวางมัดจำเจ0 0บาทแต่ป้าก็ลดให้เหลือสี่พันด้วยความที่มีสิ่งมาลอตาลอใจอย่างนี้และเห็นว่ามันราคาถูกเขาเลยตกลงเช่าห้องนั้นในทันที ในวันที่ขนของเขา้าเขาเดินผ่านห้องยามยามก็มาช่วยหิวพัดลมแล้วก็ถามเขาว่าจะไปห้องไหนเพราะเขาบอกเลขห้องไปจูๆ่ๆยามก็รีบวางพัดลมในทันทีแล้วบอกว่าต้องออกไปซื้อข้าวแต่เขาก็ยังไม่เอจใจอะไรในคืนแรกหลังจากที่เขาขนของเสร็จแล้วก็หลับไปก็ฝันว่า มีผู้หญิงผมบับสั้นหน้าตาดีมานั่งที่เก้าอี้พลาสติกซึ่งอยู่เยื้องไปจากเตียงเขาสักหน่อยหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเห็นเขามองก็เดินเข้ามาหาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแล้วมาหยุดอยู่ที่ปลายเท้าของเขาแล้วพูดว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหมแต่เขาก็ตอบไปว่าไม่ได้หรอกจะมาอยู่ด้วยได้ยังไงพอพูดจบ สีหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปจากที่ดูยิ้มแย้มในตอนแรกตอนนี้หน้าตาของเธอกลับดูจริงจังมากมันเปลี่ยนไปจากตอนแรกโดยสิ้นเชิงลาวเธอก็พูดว่ากูขอมาอยู่กับมึงได้ไหมเธอพูดพร้อมกับจ้องเขาขเขม็งหน้าตาของเธอนั้นดูน่ากลัวจนทำให้เขาตกใจตื่น เมื่อมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วถึงแม้ในตอนนั้นความรู้สึกกลัวของเขายังคงอยู่แต่ก็คิดว่าคงจะคิดมากไปเองด้วยความที่เขาคิดว่าตอนย้ายเข้ามาอยู่เขานำพระหลวงพ่อโสธรมาด้วยซึ่งวางอยู่บนตูแถมยังมีผ้ายันอีกคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยพยายามนอนต่อแล้วเขาก็พล่อยหลับไป คืนต่อมาขณะที่เขากำลังนอนตามปกติก็ฝันอีกว่าผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ที่เก้าอี้พลาสติกตัวเดิมพอเขามองไปก็เห็นว่าวันนี้เธอหน้าซีดกว่าคืนก่อนเพราะเธอเห็นเขามองเธอก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาแต่คราวนี้เธอเดินขึ้นมาบนเตียงและนั่งยองๆลงบนหน้าอกเขาแล้วเธอก็เอื้อมมือมา พยายามที่จะบีบคอเขาเขาดิ้นทุรนทุรายพยายามสวดมนต์ทุกอย่างแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะมืดไปหมดเพราะขาดอากาศหายใจเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาและพยายามตะโกนเรียกหาแม่เป็นครั้งสุดท้ายจูๆ่ๆเขาก็หลุดแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมองนาฬิกาก็เห็นว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งครึง่ง เหมือนกับเมื่อวานเลยมันทำให้เขากลัวมากกลัวจนทำอะไรไม่ถูกรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปเรียกเพื่อนที่อยู่อีกตึกหนึ่งให้มานอนด้วยสักพักเพื่อนก็มาถึงเขาจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนก็ปลอบใจว่าคงไม่มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวและไปทาบุญ ในคืนที่สามหลังจากที่เขาไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยในตอนเช้าก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอีกเพราะไปทำบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วแต่ก็ยังรู้สึกกลัวอยู่บ้างแล้วคืนนั้นเขาก็นอนหลับไปหลังจากที่นอนหลับไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ฝันอีกในฝันนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งที่เก้าอี้พลาสติกตัวเดิม พอเธอเห็นเขาจ้องมองเธอก็ลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามาหาแต่คราวนี้เธอลาเ ก, ก้าอี้พลาสติกมาด้วยขณะที่เธอกำลังลากเก้าอี้เดินเข้ามานั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าที่คอของเธอมีเชือกเหมือนเชือกไนล่อนเส้นใหญ่หูกติดกับคอของเธออยู่เธอลากเก้าอี้เดินตรงเข้ามาพอเดินมาถึงกลางห้องเธอก็หยุดซึ่งตรงจุดนั้น มันติดกับเตียงของเขาพอดีเมื่อแงนมองดูบนเพาดานก็เห็นมีพัดลมตัวใหญ่แขวนอยู่เธอวางเก้าอี้แล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้จากนั้นเธอก็นำเชือกไนลอนไปแขวนกับพัดลมแล้วก็ถีบเก้าอี้ออกเขาจ้องมองดูผู้หญิงคนนั้นด้วยความตกตะลึงเห็นเธอกำลังชักดิ้นชักงออยู่ตรงหน้าลิ้นเริ่มจุกปาก ในตาถลนเบิกโพรงเหมือนคนที่กำลังจะขาดใจตายไม่นานนักตาของเธอก็ปิดลงมือพับลงมาอยู่ข้างลำตัวจนเธอแน่นิ่งไปเขาช็อกมากได้แต่จ้องมองสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าด้วยความตื่นตกใจขณะที่เขากำลังตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆหุยิงคนนั้นก็ลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็ว เขามองเห็นในตาของเธอคนนั้นมันมีแต่สีขาวไม่มีตาดำเธอกำลังจ้องมองมาที่เขาแล้วก็หัวเราะอย่างสะใจเขากลัวมากพอเริ่มได้สติเขาก็รู้ว่าตัวเองชีราทที่นอนเสียแล้วเขาวิ่งหนีไปหยุดอยู่ที่ระเบียงในขณะ ท, ที่ตอนนั้นใส่แค่กางกเกงบ็อกเซอร์แค่ตัวเดียว เขาหันกลับขึ้นไปมองในห้องอีกครั้งก็เห็นเก้าอี้พลาสติกตัวนั้นตั้งอยู่กลางห้องเหมือนกับในฝันแล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นนาฬิกาซึ่งมันเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็มองไปยังพระที่ตั้งอยู่ไกลๆปรากฏว่าพระที่เขาจัดวางไว้ในตอนแรกเหมือนกับว่าถูกจับหันหลังเข้าหาฝาผนังซึ่งเขามั่นใจว่า เขาไม่ได้เป็นคนทำแบบนี้และไม่มีใครที่จะจับพระหันหลังแบบนั้นแน่นอนเราคิดได้ดังนั้นเขาจึงวิ่งหนีลงไปข้างล่างก็เจอยามยามตกใจที่เห็นสภาพของเขาในตอนนั้นก็เลยถามว่าเป็นอะไรแต่ในตอนนั้นเขากลัวมากจนพูดไม่เป็นภาษาแล้วยามก็ฟังไม่รู้เรื่องรู้เพียงแต่ว่าต้องการโทรศัพท์ ขอยืมโทรศัพท์หน่อยไม่นานนักเพื่อนของเขาก็มารับไปที่อีกตึกหนึ่งเขาไปห้องเพื่อน ท, ทั้งทั้งที่กางเกงเปื้อนฉี่แบบนั้นแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนก็ให้ความเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคงไม่อยากให้เขาอยู่ที่ห้องนั้นแล้วพอถึงตอนเชา้าเขาก็โทรไปหาป้าคนดูแลตึกแล้วก็ไปต่อว่าป้าคนนั้น บังคับให้บอกว่าห้องนั้นมีอะไรไม่อย่างนั้นจะฟ้องเจ้าของตึกจนในที่สุดก็คาดคันเอาความจริงจากป้าคนนั้นมาได้ป้าแกได้บอกว่าเมื่อก่อนมีผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเป็นแฟนกันมาอยู่ด้วยกันที่ห้องนั้นแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะ ก, กันอยู่บ่อยๆเนื่องจากผู้ชายได้มีหญิงอื่นมาติดพันจนในที่สุด ผู้ชายคนนั้นก็หนีไปทำให้ผู้หญิงเสียใจมากเมื่อหาทางออกไม่ได้และไม่มีใครให้ปรึกษาด้วยอารมณ์ชั่ววูบเธอเลยคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยผูกคอตายแขวนกับพัดลมในห้องนั้นเมื่อตำรวจมายังที่เกิดเหตุและมีเจ้าหน้าที่มาชันสูตรศพก็คาดเดา ว, ว่าเธอคงตายราวๆตีหนึ่งสสิบนาที แล้วห้องนั้นก็ถูกปิดไประยะหนึ่งไม่ให้คนมาเช่าจนเรื่องนี้เริ่มเงียบไปก็นำห้องนี้กลับมาให้คนเช่าอยู่อีกครั้งแต่พอมีใครมาเช่าอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะทุกคนเจอผีหนีกระเจิงกันหมดเจ้าของก็เลยสั่งปิดตายห้องนี้เอาไว้แล้วห้องนี้ก็ถูกปิดตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ให้ใครมาเช่าอยู่อีกเพราะผมได้ฟังดังนั้นแน่นอนว่าผมไม่คิดจะอยู่อีกแล้วจึงวานขอให้เพื่อนๆ เ, เขาไปช่วยเก็บของในห้องให้หน่อยเพื่อนผมก็มาช่วยกันสี่คนพวกเขาเข้าไปเก็บของให้ส่วนตัวผมนั้นไม่กล้าแม้แต่จะมองเข้าไปภายในห้องผมจึงยืนรออยู่ข้างนอก โดยผมได้ให้สัญญากับเพื่อนว่าจะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงเพื่อเป็นการตอบแทนที่มาช่วยขนของผมออกจากหอนั้นมาและยอมเสียค่ามัดจำไปแล้วก็มาคิดได้ว่าป้าแกคงจะเปิดห้อง413ให้ผมเช่าแน่ๆเพราะเจ้าของก็ไม่ได้เข้ามาดูหอนานแล้วคงคิดว่าห้องยังคงปิดตายอยู่สุดท้าย เงินมัดจำก็เข้ากระเป๋าป้าคนนั้นไปซึ่งมันน่าเจ็บใจจริงๆสัมผัสสยอง